ขอตัวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะดิฉันสมศรีนาคคง FM 106 กันอีกครั้งนึงนะคะอีก กลับเรียนถามท่านในโอกาสโอ้โหเวลานี่ๆเลยนิดนึงได้มั้ยคะก็หนแรกค่ะเอ่อเวลานี่ นะแต่ว่าเราสั้นเข้าสั้นเข้าทุกวันทุกวินาทีเข้าไปสู่ความตายสักวันหนึ่งคุณต้องถึงแน่นะนี่ก็มีอยู่เรื่อยๆไอ้ประเด็นหนึ่งที่ยังไม่ได้ การที่ให้พระเนี่ยเอ่อพิจารณาอยู่เสมอๆว่าวัน มีสติอยู่สติอยู่ถ้าเรามีเวลาล่วงไปแค่วันเดียวแล้วเรามีสติอยู่อันนี้ดีมากๆจะเป็นดีเมื่อวานท่านพูดถึงว่า จะช่วยทําให้เราพบกับความไม่ตายได้อ่ะมีสติอย่างถูก 8 เอ่อถ้าถ้าเราลองเปรียบเทียบอย่างงี้เหมือนกับวงกลมวงหนึ่ง มันไม่หมุนอ่ะนะมันนิ่งแหละเพราะฉะนั้นเข 8 เข้าจุดด้วยมันหมุนก็หมุนไปแต่ฉันก็เดินเข้าจุด 000 ค่ะอืมนี่ก็เนี่ยคนเราใช้ มันก็ต้องกำกับด้วยเวลานะคะอืมบางคนไม่มีนาฬิกาไม่ได้เลยชีวิตมันเหมือนกับว่าถูกเวลากำกับ มันไม่จบซะทีหมุนไปเรื่อยๆครับอืมมันมันจริงเป็นสิ่งที่ เราต้องเข้าใจสิ่งที่เราอยู่ก่อนสมมุติเราอยู่ในเค้าวงกดอย่างเงี้ยคุณโยมคิดนึกออกของเค้าได้นะคือตอนดีจะ<ไ> แน่พระพุทธเจ้าก็ประเถพระองค์เนี่ยเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนชง่น ไปทางขวาเสร็จแล้วอ้าวเจอเหวอย่าลงไปนะเจอป่าไม้อย่าเข้าไปเดินไปตามทางนี้คุณจะ<ใช> นี่ก็ถึงว่าต้องเดินไปสู่ปลายทางถูกมั้ยคะจะเจอนิพพานอ่าทางที่ไม่ตาย เอ่อคนที่ไปงานศพอ่ะนะว่าเค้ารู้แน่นอนว่าสู้ยังไงก็ไม่นะมีค่ะเอ่อสมมุติว่าถ้าเรารู้สมมุตินะคะ อ๋อหนทางที่ไปเนี่ยตายแน่ตายแน่เป็นรถหวอเลยนะเอจะบอกตัวเองไงหรือว่าไม่รู้ ไหนแต่ความตายเกิดมาจากอะไรทำความตายดับไปได้ไหมเข้าใจกับความตายไหนเราเข้าใจว่าความควร กลัวอย่างผิดๆอันนี้แสดงว่าเรายังเข้าใจไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราจะไม่กลัวเราจะเข้าใจเราให้ เราควรฉันน่ะเราทําความเข้าใจคือคําว่าเผชิญหน้าเนี่ยปี 20 ปีข้างหน้าอือ ค่ะคือไม่ให้กลัวแต่ให้เข้าใจให้กลัวแต่ให้เข้าใจเพราะกลัวมันก็ต้องเนี่ยเราจะได้ซึ่งซึ่งความผาสุกตรงนะที่ไม่ ก็ยังอืมเอ่อซึ่งอย่างที่คุณโยมถือว่าเตรียมตัวตายไว้ก่อนเลยการเตรียมตัวตรงไม่ไม่ใช่ว่าต้องซื้อลงเตรียมไว้ก่อนนะแต่ว่าทําความเข้าใจค่ะค่ะเคยผ่านคือ อ่าที่ที่จะฝังศพตัวเองอ่ะใช่ๆคลองสุ้ยยังไงคะอ่าๆที่ที่ ยังไม่ได้สูงอายุมากนะคะก็ยังทําคือนิตยสารชื่อดิฉันอืมแล้วก็ ก็ตอนรวบรวมเขียนหนังสืองานศพช่วงก่อนดิฉันจะเป็นคนที่เป็นมะเร็งที่ลำ อืมแล้วก็ไม่รู้ว่าความเผ็ดเนี่ยๆอืมอ่าอันนี้ก็คือมีความเข้าใจในเรื่องความ อ่ามีมีอีกท่านนึงแล้วก็เป็นพี่ที่เคารพช่วยเหลือๆแบบวูบหัวใจ ก็ได้รับแจ้งว่าเขาเสียชีวิตพอไปในงานเนี่ยค่ะเจ้าตัวเมื่อพบกับ อะไรเข้ามาก็ต้องยอมแล้วก็อดกลั้นไม่ได้สงสารเพราะเขามีๆอืมๆๆการเตรียมการต่างๆอย่างนี้ก็แสดงถึงการที่เค้าเค้าเข้าใจในบางอย่างทีนี้ความเข้าใจเนี่ยเกิด นะหรือมีก็ก็ดีอย่างที่คุณโยมติพูดมาแต่บางคนอาจจะค่ะใน ว่าให้ทําความดีนี่ก็ถูกต้องแล้วถูกต้องถูกต้องนะคะก็พันได้ให้ธรรมะ จะมีเทคนิคยังไงถ้าอาจารย์บอกได้มั้ยคะจะได้กลับเรียนถามพรุ่งที่คลุกคลานแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ยังคิดว่ามันเป็นเรื่องมันๆไปอ่าแต่ ได้เห็นว่าถ้าพอเป็นเรื่องธรรมะแล้วเนี่ยมันเป็นความจริงของชีวิตนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องทําความรู้